เมื่อวานมีพระมาลงคุยกับท่านนะท่านเรียนนักธรรมเอกอยู่ท่านบอกสิ่งที่หลวงพ่อสอนนะอยู่ในหลักสูตรนักธรรมเอกเราก็เพิ่งรู้นะหลวงพ่อเรียนแก่นักธรรมตรีบอกมีหมดนะเรื่องตั้งแต่แการปฏิบัตินะมีทั้งสมาธินำปัญญาปัญญานำสมาธิสมาธิปัญญาควบกันเยเรื่องของสมรถะ มีกรรมฐานสี่สิบเรื่องวิปั ส, สนาแยกตามจริตตัณหาจริตทิฏฐิจริตมีหมดเลยไมหน่าหลวงพ่อเทศนะพระผู้ใหญ่ไม่เคยว่าเลยสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนันกว้างขวา ง, วางท่านเขาเรียกว่าธรรมราชาเป็นพระราชาของธรรมะ ความรู้ความเข้าใจของท่านมากท่านสอนธรรมะเอาไว้กว้างกวางมากเลยครอบคลุมหมดเลยอย่างมิจฉาทิฏฐิท่านจาแนกมิจฉาทิฏฐิไปทั้ง62อย่างห2สิบพวกการปฏิบัติท่านก็แยกการปฏิบัติเป็นลำดับลำดับตั้งแต่การปฏิบัติอยู่กับโลก โลกีจะทำทั้งหลายทําไงจะอยู่กับโลกอย่างมีความสุขสอนหมดนะลูกจะทําไงกับพ่อแม่พ่อแม่ทําไงกับลูกเพื่อนกับเพื่อนจะดูแลกันยังไงเจ้านายกับลูกน้องดูแลกันยังไงสอนหมดเลยนคารวาะกับพระพระกับคารวะจะดูแลกันยังไงละเอียดยิบไปหมดนะถ้าอยู่กับโลกแล้วทําตามธรรมะฝ่ายโลกของท่านนั้นก็จะมีความสุข คนไหนอินสีแก่กล้าทัานกสอนธรรมะที่ประณีตลึกซึ้งขึ้นไปเป็นธรรมะในขั้นที่จะไปสู่ความหลุดพ้นเหนือโลกสอนศีลสมาธิปัญญาในขั้นละเอียดขึ้นไปละเอียดขึ้นไปสมาธิอสอนไปเยอะแยะเลยหลายแบบคลารุ่นหลังมาสรุปออกมาเป็นกรรมฐาน40่สิจริงเกินนั้นอีกอย่างบางองค์มีกรรมฐานพิเศษ ย่งพระองค์หนึ่งท่านเป็นช่างทองเป็นคนรักสวยรักงามมากนะเป็นลูกศิษย์พระสารีบุตรพระสารีบุตรพิจารณาว่าคนนี้ยังหนุ่มด้วยนะแล้วก็เป็นช่างทองรักสวยรักงามเนะียต้องแก้กรรมฐานนะกําหนดใหนะ้ให้พิจารณาอสุภะองค์นี้พิจนาอสุภามไม่สําเร็จเลยนะเสะอิสเอียนเกินไปทนไม่ไหว อยากศึกเลยเพราโดยทฤษฎีแล้วเนี่ยพวกพวกราคาจริตก็พิณาสุภะษณ์ท่านเล่นตามทฤษฎีเลยปรากฏว่าลูกสิทนไม่ไหวจะศึกไปเจอพระพุทธเจ้าซะก่อนพระพุทธเจ้าก็ถามเธอบวชอุธธทิศใครหมายถึงบวชแล้วจะเป็นสาวกของใครบวชในพระพุทธศาสนาหรือบวชในสาลีบุตรศาสนาทำนงนังน้นบอกบวชในพระพุทธศาสนาอ๋ อาจารย์เธอสอนไม่ได้ทําไมไม่มาหาเราท่านเพิ่งได้ดอกบัวสวยไม่ดอกหนึ่งดอกบัวแดงสวยงามท่านก็ให้พระองค์นี้ไปไปเอาดอกบัวนี้ไปปักข้างๆกุฏินะปักดินทรายพื้นเป็นทรายแล้วนั่งดูไปดอกบัวสีแดงสวยไปดูไปท่านก็ได้ดอกบัวมานะสวยอชอบดูนะใจไม่หนีไปที่อื่นเลยมีความสุขเห็นไหม จิตมีความสุขจดจอ่ออยู่ในโรมันเดียวจะได้อะไรได้สมาธินะภาษาริบุตรนึกไม่ถึงนะพระเจ้าท่านเก่งจริงๆพอจิตมีความสุขอยู่กระดกบัวจิตมีสมาธินะดูไปเรื่อยเรย่แดดออกมานะดอกบัวค่อยคอยเหี่ยวท่านเห็นอะไรเห็นไตรลักษณ์ไม่ใช่อสุภะ เห็นใจรักนะพวะเจ้าสอนธรรมะให้นิดเดียวมารู้พระอรหันต์เลยเห็นเห็นเห็นวัตถุสิ่งของเห็นอะไนี่นะตกอยู่ใต้ใจรักย้อนกลับมาดูตัวเองนิดเดียวก็ตกอยู่ใต้ใจรักแล้วเนี่ยไปนั่งดูดอกบัวไม่อยู่ในกรรมฐานสี่หรอกหรือพระจุลปันทกะ บวชพี่ชายให้ท่องคาถาสารเสริญพระพุทธเจ้าสี่ห้าบรนทั์ท่องไม่ได้สมองไม่ดีจำไม่ดีแต่เดิมมีบุญมากนะฉลาดมากในาศาสนาพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆไปเห็นพระอื่นเขาท่องหนังสืออย่างคล้ายๆตอนนี้พระจะสอบนักธรรมกันท่องหนังสือกันจุลพันช ร, รกะเห็นอุ้ยจะไปมันโง่แล้วว่าง่ายแค่นี้ท่องตั้งนานใจเป็ดปรามาด ตาอื่นนะว่าโง่สมองทึบอะไรงี้พอท่านมาบวชในสมัยพระพุทธเจ้าเราเนี่ยท่านท่องคาถาสี่ห้าบรรทัดไม่ได้คำสารเสริญพระพุทธเจ้าเนี่ยท่องไม่ได้พี่ชัยเป็นพระมหาปัตทกกะเป็นเอตักค้าองค์หนึ่งด้วยซ้ำไปเก่งมีชื่อเสียงมากองค์หนึ่งเลยท้อใจน้องนี่ไม่มีปัญญาเลย บอกไปศึกไปเถอะถ้าจะเอาดีไม่ได้แล้วแค่ท่องคำสรรเสริญพระพุทธเจ้าสีห้าบรรทัดยังทำไม่ได้เลยท่านก็เสียใจนั้นก็จะศึกจริงๆเดินออกมาไปเจอพระพุทธเจ้าอีกคือพุทเจ้าถามแบบเดียวกับโกตเกี้ยวบวชในศาสนาใครท่านก็ให้ผ้าขาวไปผืนหนึ่งบอกไปขยี้ผ้านะไปนั่งขยี้ผ้าขาว ในตอแจ่เช้าเลยนะยิ่ไปศึกใ่เช้าเลยพรเจ้าให้ผ้าขาวไปพืนนั่งขายี่ให้ผ้าเช็ดหน้าหน่ขยข่้ยแล้วบอกให้บริกรรมไปด้วยระโชหารนังระชังหารติพูดสิพูดได้ไหมถ้าไม่ได้นะก็แย่แล้ว <laughs> นี่เป็นคำบริกรรมที่ง่ายที่สุดแล้วนะ คุณพระเจ้าเลือกเอาสุดจะง่ายและแค่นี้เองพระโชหารนังพระชังหรติฟังทีเดียวจำไปสามชาติเลย <c oughs> ท่านมานั่งขยี้ผพ้าล้าอื่นๆไปฉันข้าวคนนี้มนไปหมดวัดเลย <c oughs> พี่ชายท่านเป็นคนจัดการน้องชายโง่จะศึกอยู่แล้วอย่าไปกินข้าวชาวบ้านให้ใหฟ้าวัดไปนึกว่าศึกไปแล้วด้วยซ้ำไปไปกันหมดมัด ท่านอยู่วัดคนเดียวท่านนั่งขยี้ผ้าละโชว์ารนังละชังอรติขยีไขย้ไปขยี้ไปนเห็นใ้ผ้ามันดำอันนี้ท่านทำกรรมฐานอะไร อ, อสุภะสกปลกอันนี้บารมีเก่าท่านนะท่านเคยเป็นพระเจ้าแผ่นดินวันนึงขี่ช้างไปแล้วเหงื่อออกเอาผ้าเช็ดหน้าซับเหงื่อก็เห็นผ้าเนี้ยสปกปรก เคยเพิจารณาว่ากายนี้เป็นของสกบลกแม้พระพุทธเจ้าท่านเก่งขนาด น, นี้พี่ชายท่านไม่รู้ว่าต้องใช้กรรมฐานนั้นนี่นพอจิตท่านรวมทํำอสุภะกรรมฐานได้อะไรได้สมถะเป็นสมถกรรมฐานจิตสงบแนละ้วพระพุทธเจ้าท่านครับส่งพลังจิตนะแสดงธรรมให้ฟังไม่ใช่เรื่องแปลก ถ้าพวกเราพอนาจริงๆนะอย่าว่าแต่ยุคนน้นเลยยุคนี้ยังมีเลยนะส่งกระแสจิตสอนกันนะไม่ใช่เรื่องประหลาดอะไรนี่พระเจ้ายัางอยู่ด้วยซ้าไปนะถ่ายทอดพลังออกมาสอนธรรมะท่านเป็นพระอราหันต์แล้วมีฤทธิ์เยอะด้วยแยกร่างกายได้ได้มโนมยิทธิมีฤทธิ์ด้วยใจนะสามารถแบ่งร่างแบ่งเซลล์ได้ คล้ายๆนินจาวิชาแยกร่านใครๆก็หลังจากนั้นใครๆก็พูดถึงพระจุลปันธกาเขาดูโลดโผนเผนพระมหาปันธกาคนเลยลืมไปเลยเป็นพวกมีปัญญามากมีปัญญามากไม่ฉูดฉาดเท่าพวกมีฤทธิ์มากวนเลยจาพวกมีฤทธิ์มากความจริงท่านเก่งสุดจิตกันทั้งคู่ได้เป็นเอตทัคคะทั้งคู่ลยคนละด้านกัน กรรมฐานนะไม่ใช่มีแค่4 0อย่างนะกรรมฐานที่พระเจ้าสอนมีเยอะแต่ท่านพระรุ่นหลังท่านมาสรุปขึ้นมาก็เป็น40ข้อสำหรับสมถกรรมฐานส่วนมีปัสนากรรมฐานก็มีทั้งใช้สมาธินําปัญญาปัญญานาสมาธิสมาธิและปัญญาควบกันนะั่นทางเดินมีเยอะแยะเลยไม่ใช่มีทางเดียว น, ะนถ้า เราศึกษาจากครูบาอาจารย์ที่หลากหลายเราจะเห็นนะแต่และองค์ไม่เหมือนกันภาพรวมๆนี่ยจะเหมือนกันนะทิศทางที่ท่านปฏิบัติเนียแบบเดียวกันนะมีศีลสมาธิปัญญาพูดเย่อๆแล้วเหมือนกันเปรียบเลยแต่พอลีลาในการปฏิบัติแต่และองค์ไม่มีซ้ํากันเลยไม่มีเหมือนกันหรอกอย่างครูบาอาจารย์สอนหลวงพ่อนะตอนหลวงพ่อเด็กๆท่านสอนอนานาปนาสติ ทางท่านพ่อหลีสอนให้ทําอานาปนานสุติให้แใจเข้าพูดหายใจออกโทนี่เราเด็กนะเราเรียนได้แค่นั้นอนะเรียนได้แค่หายใจมันสงบไปต่อไม่ได้ละไม่มีครูบาอ า, าจารย์ครูบาอาจารย์ยุคนน้นนะอยู่ไกลอยู่อีสานอยู่ภาคเหนือไกลมากไม่มีปัญญาไปยังเด็กๆก็ไม่ได้เรียนต่อแต่ไว้อ่านหนังสือเกนะ็อ่านพระไตรปิฎกอ่านอะไรเนี่ยอ่าน หนังสือนานาชนิดเลยได้ยินอ่ะพุดโทพิยนักกายอะไรนี่ลองพุดโทพิยนักกายไม่ได้ผลใจไม่เอามาดูกายดูผมผมก็สลายวับเลยดูปั๊บก็หายไปเลยเห็นหนังศีรษะดูหนังศีรษะก็หายวับเห็นหัวกะโหลกดูหัวก็หลกหัวขาดไปเลยดูทั้งร่างกายที่เหลือเห็นกระดูกเห็นกระดูกทั้งตัวเลยหันซ้ายหันขวาเนี่ยกระดูกกระดูกกระดิกได้นะ ดูลงไปกระดูกระเบิดแตกออกไปเป็นก้อนกรวดใสๆออกไปนะร่วงลงไปกล่าวลงไปที่พื้นนะไม่เลิกนะตามดูลงไปที่กระดูกเล็กๆนั่นเองมันแตกตัวออกไปกลายเป็นแสงสว่างสลายไปหมดเลยเหลือจิตดวงเดียวนะเหลือจิตดวงเดียวไปต่อไม่เป็นอีกอะ่นะแ้ามาดูกายแล้วก็มีอยู่แค่เนี้ยรู้สึกจุดชื่อที่สุดเลยเพืนะ่นมาเจอหลวงปูด่ดูลนะท่านสอนให้ดูจิต แมท่านเก่งนะท่านไม่ได้สอนทุกคนพี่พุโทโธพิ่นาายไม่จาเป็นท่านดูจริตบารมีท่านมากท่านไม่ใช่พระธรรมดาคือท่านสะสมบารมีท่านอยากเป็นพระปัจเจ ก, กับพุทธเจ้าอยากบรรลุด้วยตัวเองและไม่คิดจะพึ่งใครที่จะพึ่งตัวเองไม่ใช่ความอาหังการนะแต่เป็นคนที่คิดว่าเราควรจะช่วยตัวเอง หรื อ, อย่างคนจะเป็นพระพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่อยากใหญ่ไม่ใช่อวดอยากรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่เป็นด้วยกรุณาเห็นไหมเป็นด้วยคุณธรรมนะไม่ใช่อยากเป็นพระโพธิสัตว์อยากเป็นพุทธเจ้าพระกูเก่งกูเท่ไม่ใช่นั่นกิเลสแต่เป็นเพราะการุณาถ้าจะเป็นพระสัมมาสัม พ, พุทธเจ้าจะเป็นพระปัิเจ้าพุทธเจ้าก็ไม่ใช่ดึงดืง้ออวดดื้อถือดีอะไรนะแต่ท่านรู้สึกว่าต้องช่วยตัวเอง พยายามที่จะช่วยตัวเองให้ได้ไม่ได้คิดว่าจะต้องจริงจังในการไปช่วยคนอื่นนะแค่คิดว่าเอาตัวรอดก็ลำบากแนละ้วนั้นท่านภาคเพียนนั้นบารมีของพระปัเจเนี่ยมากกว่ า, าพระโมคคลาสารีบุตรเองนะแต่หลวงปู ด, ดุลไม่เต็มหรอกท่านลาท่านลาซะก่อนแต่ความรู้ของท่านมากไปเรียนกับท่านเนี่ยไปถึงไปถามกรรมาฐานไม่ตอบนะ ถ้จะนั่งหลับตาเงียบไปเลยชั่วโมงเกือบเกือบชั่วโมงเลยนะเนี่ยลืมตาขึ้นมาถึงจะสอนหลวงพ่อไปหาท่านครั้งแรกหกกุมภาพันธ์สองห้าไปถึงท่านกลังฉันข้าวอยูนะ่พระก็บอกเข้าไปเลยเข้าไปตอนนี้แหละเราเข้าไปตอนนี้ไม่ดีความจริงปอดนะกลัวท่านไม่รู้ไม่เคยคุ้นเคยกับพระกรรมฐ า, านไม่รู้ดุแค่ไหน รอจนท่านฉันข้าวเสร็จนะใจก็ยังรีรี ร, รอรอนะปอดเหมือนกันเหมือนพวกเราเวลาจะส่งกันบ้านปอดเหมือนกันแหละสุดท้ายเอา้าครับท่านมาออกมาจากกุฏินะสุดท้ายเรารีรออยู่ข้างนอกท่านออกมาจากกุฏิเลยไม่ช่งกมองแล้วเลยเข้าไปกราบท่านหลวงปู่ผมอยากปฏิบัติท่านมองหน้าปุ๊บนะึงท่านก็หลับตาเงียบไปเลยเงียบจนเราใจหายเลย ได้หลวงปู่หลวงปู่อายุมากแล้วฉันข้าวเสร็จแล้วหลับไปแล้ว <c oughs> ในใจนึกอย่างนี้นะนึกว่าท่านนั่งหลับไปแล้วเดี๋ยวสิบโมงเราก็จะต้องขึ้นรถไฟซื้อตั๋วไว้แล้วด้วยจะกลับจากสุรินทร์นะหลวงปู่หลับไปแล้วทําไงนั่งรอท่านไปนะท่านลืมตาท่านก็สอนการปฏิบัติไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วอ่านจิตตนเองถ้าอ่านจิตตนเองก็จะเห็นอริยสัจแห่งจิต เห็นว so so so so so ่าจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลที่จิตส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลที่เห็นว่าเหตุผลที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธอันหนึ่งธรรมชาติของจิตย่ำส่งออกนอกมีสบทนะคนจําได้บทเดียวธรรมชาติของจิตย่ำส่งออกนอกถ้าจิตส่งออกนอกแล้วก็เพื่อมั่นไหวสนองรับอารมณ์นะเป็นสมุทัยผลที่จิตส่งออกนอกก็เพื่อมั่นไหวสนองรับอารมณ์นะเป็นทุกข์ ถ้าจิตส่งออกนอกนะแล้วก็ไม่กระเพื่อมบั่นไหวมีสติอยูนะ่ท่านบอกว่าเป็นมรคนที่จิตออกไปรู้อารมณ์เนีนะแล้วก็ตั้งมั่นมีสติอยู่เนะี่ยเป็นนิโรธนะอันหนึ่งพระอริยะเจ้าทั้งหลายไม่มีอันหนึ่งอีกอันอันหนึ่งพระอริยะเจ้าทั้งหลายเนี่ยมีจิตไม่ส่งออกนอกนะมีจิตไม่กระเพื่อมบั่นไหวนะมีสันติสุขนะเป็นวิหารธรรมอยู่อย่างนี้มีความสงบสุขอยู่ คำว่าพระอริยเจ้าในความหมายของครูบาอาจารย์หมายถึงพระอรหันต์เท่านั้นพระโสดาอะไรเนี่ยจิตยังออกนอกพระอนาคานะไม่ออกนอกมากนะออกนิดหน่อยออกไปอยู่กับรู้ออกไปอยู่ที่ตัวผู้รู้นี่ท่านสานหลวงพ่อเนี่ท่านสานดูจิตเลยท่านไม่ได้เริ่มจากดูกายสานบางองศรัพระบางองค์ท่านสอนดูกายบางองค์เนี่ยไม่ให้ดูกายทั้งตัวให้ดูผมเส้นเดียวดูผมเส้นเดียวแล้วจิตรวม ท่านสาหลงหลวงพ่อคืนหลวงพ่อคืนตอนนั้นยังไม่บวชนะแต่ภาวนามีชื่อเสียงมีลูกน้องเยอะลูกลูกศิษย์เยอะทั้งที่ท่านก็ยังไม่ได้ธรรมะนะ้วมีลูกศิษย์เยอะแยะเลยไปวัดโน้นวัดนี้พากันไปอย่างพวกเรายุคนี้ก็มีตามกันไปวัดเป็นกลุ่มๆนะพากันไปทีมนี้ทีมนี้ไปวัดเข้าวัดโน้นวัดนี้ไปเรื่อยๆหาที่ภาวนา หลวงพ่อคืนก็เหมือนกันนะมาลาหลวงปูดุลไปจะไปภาวนาที่หินมักเป้งหลวงปูดุลบอกว่าขึ้นให้พิจารณาผมเส้นเดียวนะท่านบอกท่านฟังหลวงปูดุลบอกให้พิจารณาผมเส้นเดียวนะท่านน้อยใจโอ้หลวงปู่เนี่ยเพิ่งสอนพระตะกี้นี่สอนอีกองหนึ่งอะ่ะให้ดูร่างกายทั้งร่างกายเลยนะทําไมของเราให้ดูผมเส้นเดียวหลวงปูลำเบียงเอะ่ะให้ธรรมะเราน้อยเหลือเกิน น้อยใจด้วยนะรู้สึกได้ธรรมะน้อยได้วไปอยู่หินหมักเป้งตั้งพันศาหนึ่งนะไม่ได้อะไรเลยไม่ไม่ได้ผลอะไรเลยกลับมาสุรินท่านกนสุรินนะมาพาวนาต่อยจนสิ้นสติปัญญาไม่รู้จะพาวนางไงแล้วนะมันไม่ได้ผลนึกถึงที่หลวงปู่ดูลบอกผมเส้นเดียวเสมอท่านกาหนดจิตนะถึงผมเส้นเดียวดูผมผมยังยาวอยู่มั้งตอนนั้น ผมเส้นเดียวจท่านทำอะไรตอนนี้ดูผมเส้นเดียวทำอะไรืกระสินกสนิการที่เห็นผมเป็นเส้นยาวๆเนี่ยกระสินดินผมมันสีดำบ้างสีขาวบ้างเนียเนกระสินสีดูลงไป ปรากว่าจิตจดจ่ออยู่กับผมเส้นเดียวยจิตรวมเข้าสมาธิได้ละก็มาฟังทำต่อเลยได้ไปต่อได้นะท่านโรดผลนะองค์นี้แล้วก็ไปอยู่หินหมักเป้งอีกชอบไปภระนาหินหมักเป้งไปภาวนาววันหนึ่งจิตมันถอดออกจากร่างกายนะนึกถึงที่หลวงปู่ดูลเคยบอกนะว่างสว่างบริสุทธ์ได้ยินหลวงปู่พูดอะ ว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแตง่งหยุดการสแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างนึกถึงตัวนี้นะจิตมันถอดออกจากร่างลอยอยู่เหนือแม่น้ําคงท่านมองไปที่เวียงจันทร์นะเวียงจันทร์สลายวับไปเลยโอ้นี่สุญญตาเวียนมาฝั่งไทยนะมองลงมาถึงอูดรเลยนะอูดรหายไปเลยน้องกายอูดรหายไปยว่างหมดแล้วนี่ว่างแล้วว่างทั้งโลกกระธาดูไปที่ไหนว่างหมดเลย ออกจากสมาธิมานะรีบกลับมาหาหลว ง, งปู่ดุลหลวงปู่หลวงปู่เข้าถึงสุญญตาแล้วเข้าถึงขั้นนิพพานแนละ้วนิพพานเป็นยังไงนิพพานนะ่าดูแม่น้ำโคงแม่น้ำโคงก็หายดูเพียงจันเวียงจันก็หายดูอุดร อ, อุดรก็หายโดนดูนะนิพพานอะไรอย่างนั้นนิพพานอะไรเหนือแม่น้ำโคงนิพพานอะไรมีเข้ามีออกไม่ใช่ หลวงปู่นะสอนแต่ละคนเนี่ยไม่มีเหมือนกันเลยบางบางองค์นะท่านสอนดูกระดูกทั้งตัวเลยหลวงพ่องานนะดะดูกระดูกทั้งตัวหลวงพ่อสุจินทร์นะหลวงปู่ดูลนก็สอนให้ตกกระไดพ่อยโจรหัดซ้อมนะทำไงตอนจะตายให้หลุดพ้นอย่างเงี้ยสอนสอนแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ครูบาอาจารย์ชนิดนี้หายากที่สุดเลยนะส่วนใหญ่ท่านเคยทําไงท่านจะสอนอย่างนั้น นี่ท่านท่านแตกฉานมากจริงนะท่านสอนตามจริตลูกศิษย์แล้วไปทําอย่างอื่นนอกจากที่ท่านสอนนะไม่ได้ผลหรอกทําไงก็ไม่ได้ผลนะสุดท้ายมาทําอย่างที่ท่านบอกแล้วได้ผลเร็วมากเลยทุกวันนี้เราไม่มีอาจารย์แบบนั้นนะไม่เคยเห็นองค์ที่สองเลยนะในช่วงสามสิบปีมานี้ไม่เคยมีองค์ที่สองเลยงั้นเราต้องใช้อะไรช่วยใช้โยนิโสมนัสิการช่วยสังเกตตัวเองเอากรรมฐานอะไรที่เหมาะกับเรา อย่างหลวงพ่อสอนสังเกตไหมหลวงพ่อไม่ได้สอนบอกว่ากรรมฐานต้องแบบนี้ต้องแบบนี้นื่องออกไหมจะสอนหลักให้นะเสร็จแล้วเราต้องไปสังเกตเอาว่าเราใช้กรรมฐานอะไรแล้วเหมาะกับตัวเราเองทําแบบไหนจิตเราจะสงบได้สมถกรรมฐานหลวงพ่อสอนหลักให้เมื่อถ้าจะทําสมถกรรมฐานนะศีลต้องมีนะไม่มีไม่ได้ต้องมีศีลรองรับไว้ก่อนต้องรู้จักเลือกอารมณ์ ที่ว่าอยู่กับอารมณ์ันนั้นแล้วจิตใจมีความสุขอารมณ์นั้นต้องไม่ยั่วกิเลสนะต้องไม่ยั่วกิเลสเนี่ยอยู่กับมีความสุขแต่อยู่กับกิเลสอย่างนั้นใช้ไม่ไดนะ้น้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์นันเดียวรู้ไปอย่างสบายๆเคล็ดลับอยู่ที่สบายๆ ส, นะสอนหลักส่วนพวกเราก็ต้องไปดูเอาเองคนนี้ไปดูไฟนะดูได้ใจที่สบายๆถือศีลไว้ก่อนแล้วก็ไปดูไฟ ดูได้ใจสบายดูแล้วชอบเห็นไฟนี่ชอบความจริงคนจนํานวนมากชอบดูไฟนะยิ่งไฟไหม้นี่ชอบมากเลยเพวกเนี่ยควรจะหากระสินไฟไว้ะใครเวลาไฟไหมชอบไปดูมีไหมในห้องนี้มีไหมยกมือให้หลวงพ่อดูสิไม่มีเลยเหรอแปลก <laughs> เห็นเวลาไฟไหมทีคนแน่นแน่นชอบดูไฟ ดูไฟมันสบัดนะสบัดทำกระสินไฟก็ดูเร็วไฟนะมันไหวไหวมันจะเล่าใจน่าสนใจถ้าใจชอบนะใจก็จดจอ่อมีความสุขบางคนไม่ชอบดูไฟะดูอย่างอื่นอย่างอาจารย์มหาวิบูลน์อยู่แม่สอดแรกๆดูไฟนะเล่นกระสินไฟทํากระสินไฟเมืวันหนึ่งนะนั่งไปนั่งไปนั่งหลับตาเนี่ย โอ oh, วันนี้กสินดีอย่างเลยนะได้กลิ่นไฟไหม้แล้วแล้วก็ร้อนขึ้นเรื่อยๆนะจนเอจใจลืมตานะไฟกําลังจะไหม้คุติแล้วเทียนมันล้มไปหลังจากนั้นท่านเปลี่ยนเป็นกสินน้ำนั่ <c oughs> นเลยเก่งกสินน้ำหลวปู่คําพันธ์เคยได้ยินชื่อหลวปู่คาพันธ์วัดท่านมหาชัยเก่งปตวีกสินเก่งกระสินดินใช่ไหมครูบาอาจารย์แต่ลวงนะลูกศิษย์อาจารย์เดียวกันแล้วนะ คูบาาจารย์ลงมาในรายละเอียดกัต ไ, ไม่เหมือนกันหรอกต้องไปสํารวจตัวเองนะว่ากรรมฐานอะไรแล้วเหมาะกับตัวเองอยู่แล้วมีความสุขอยู่แลอรู้สึกตัวมีความสุขอยู่แล้วไม่ย่อกิเลสถ้าอยู่กับอารมณ์อนั้นแหละ mm. ก็จะได้สมาธิได้สมกถกรรมฐานนหลวงพ่อจะสอนหลักนะเพวะเราต้องไปดูเอาเองว่าเราใช้กรรมฐานอะไรแล้วเหมาะกับตัวเองนะอย่าเที่ยวเชื่อคนง่ายนะและอย่าตามอาจารย์ หลวงพ่อทําอนาปนานสติไม่ใช่ทุกคนต้องทําสมถะด้วยอานาปนานสติไม่ใช่หลวงพ่อเจริญวิปัสนาโดยใช้จิตานุปัสนาไม่ใช่ทุกคนต้องทําจิตานุปัสนาพอถึงขั้นวิปัสนาหลวงพ่อก็สอนหลักของวิปัสนาให้อีกหลักของวิปัสนาแรกเลยต้องมีจิตที่พร้อมที่จะเจริญปัญญาจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน หลวงพ่อก็บอกวิธีที่จะมีจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบาลให้คือรู้ทันจิตที่ไหลผีชิตนี่แหละถ้าจิตมันไหลไปจิตส่งออกนอกนะจิตไหลไปนะเรารู้ทันนะีไ่ได้จิตผู้รู้ขึ้นมาอันแรกเลยเราได้จิตผู้รู้ขึ้นมาถ้าจากนั้นอย่ารู้ตัวอยู่เฉยๆต้องแยกรูปแยกนามต้องดูกายดูใจทํางานถ้ารู้ตัวแล้วนิ่งเฉยอยู่เป็นสมถะอีกละไม่เดินปัญญาต้องมาแยกกายแยกใจแยกรูปแยกนามให้ได้ หลวงพ่อไปเรียนจากหลวงปู ด, ดุลวันแรกก็แยกรูปแยกนามเลยนะนั่งรถไฟกลับมากรุงเทพไปแว้โคราชหาหลวงพ่อพุธหน่อยหนึ่งนะเนี่ยไปเจอหลวงปู ด, ดุลครั้งแรกนะมันจะเจอหลวงพ่อพุธครั้งแรกต่อไปเวลาไปหาหลวงปู ด, ดุลทีไรจะต้องแย้หาหลวงพ่อพุธทุกทีจนท่านจําได้เลยวนะ่าเนี่ยลูกศิษย์หลวงปู ด, ดุลมันจำไปแว้หาหลวงพ่อพุธนะฟังธรรมะท่านหน่อยนะแล้วก็ขึ้นรถไฟต่อมากรุงเทพมาถึงใกล้ๆกรุงเทพใกล้หัวลําโพงนะ แยกขันเป็นแล้แยกขันเป็นะพวกเราก็หัดนะจิตเป็นผู้รู้อยู่เห็นขันมันแยกจิตผู้รู้ได้มาจากตอนนั่งรถไฟออกจากสุรินไม่นานน่ะนั่งรถไฟออกมานี่ยหลวงปู่ดูลนึกถึงหลวงปู่ดูนหลวงปู่บอกให้ดูจิตจิตอยู่ที่ไหนว่าจิตอยู่ที่ไหนจิตต้องอยู่ในตัวะคิดอย่างนี้นะจิตต้องอยู่ในร่างกายแต่ทีแรกตกใจก่อนหลวงปู่บอกให้ดูจิตแล้วนึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะดูไม่เป็นอ่ะ ดูยังไงไม่ได้ถามท่านจิตอยู่ที่ไหนไม่รู้อยากอะไรไปดูไม่รู้ไม่รู้สักอย่างเลยตกใจตกใจทำอะไรไม่ถูกพุโทโธเลยหายใจไปพุโทโธไปจำไว้เลยนะนี่เป็นแนวตั้งรับอันสุดท้ายแล้วทำอะไรไม่เป็นนะทำความสงบไว้ก่อนให้ใจสบายสงบไว้ก่อนพอใจพุโทโธไปหายใจไป ใ, ใจสงบนะมาพิจารณาอันนี้คือการคิดเอาท่านให้ดูจิตจิตต้องอยู่ในกาย งนั้นต่อไปนี้เราไม่รู้เกินกายออกไปนี่ก็คือหลักของการปฏิบัติอีกข้อนึงนะอย่าดูออกนอกดูอยู่ในกายในใจของตัวเองนะแล้วจิตอยู่ที่ไหนจิตอยู่ที่ร่างวัตถุในร่างกายเรารู้อย่างนี้นะอยู่ที่ผมหรอดูลงไปที่ผมนะผมหายไปก็ไม่เห็นมาจิตโผล่ขึ้นมาดูขนเล็บฟันหนังตัวเองกระดูกไล่ขึ้นไล่ลงนะหายเป็นส่วนส่ว น, ส, วนส่วนไปไม่เห็นมีจิตโผล่ขึ้นมาให้จิตกับกายเนี่ยคนละอันกันนะนะ แต่มันอยู่ในเนี้ยหรือว่าจิตคือความรู้สึกสุขทุกข์หายใจไปนั้นมีความสุขมากเลยดูไปที่ความสุขความสุขสลายไปไม่เห็นมีจิตโผล่ขึ้นมาเลยนะหรือว่าจิตอยู่ที่ความทุกขนะ์ดูนั่งนะไม่ยอมกระดุกกระดิกนั่งนานให้มันเมื่อยดูไปที่ความปวดความเมื่อยนะดูแล้วก็ไม่ยอมกระดุกกระดิกนั้นดูไปเรื่อยเลยจนมันหายปวดก็ไม่เห็นจิตมาคิดต่ออีกนะหรือว่าจิตคือความคิด เดี๋ยวเราจงใจคิดก็แล้วกันคิดบทส่วนมนต์นี่แหละคิดเรื่องอื่นไม่ดีนะพุทธโธสุตรโธกรุณามหันนโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดังห้วงมหันนกคิดแต่ภาษาบาลีนะภาษาไทยแปลให้พวกเราฟังว่าเพราะเพราะบท น, นี้พระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดังห้วงมหันนกเพราะจังนะฟังแล้วซาบซึ้งกับพระพุทธเจ้า แล้วพอพอใจคิดบทสวดมนต์นะพุทโธสูตสุตโธกรุณามหันนาโวเห็นจิตคิดเห็นจิตคิดทันทีที่เห็นจิตคิดจะเกิดอะไรขึ้นจิตรู้จะเกิดขึ้นแต่ตอนนั้นยังจับหลักไม่แม่นนะกว่าจะจับจิตรู้ขึ้นมาได้ต้องใช้เวลาอีกหลายวันเลยแต่นั้นคล้ายๆมันฟลุกไปเจอเข้าตอนหลังง่ายเลยรู้เลยถ้ารู้ว่าจิตคิดนะจิตรู้ก็เกิดเสร็จแล้วก็พยายามรักษาจิตรู้นะ รักษาจิตรู้อะไรมายั่วมาจิตไหลไปเกาะกัอารมณ์เป็นก้อนอยู่กลางหนะ้าอกหาทางทำลายทํำลายจนอยู่กับจิตรู้ตลอดเลยนึกว่าดีนะนึกว่านี่นดูจิตคือรักษาจิตรู้ไปเจอหลวงปู่ดูลั้งที่สองโดนท่านจวกเขาใหนะ้ท่านบอกเนี่ยไปแทรกแซงจิตให้ไปดูจิตนะไม่ได้ให้ไปแทรกแซงไปประคองจิตเอาไว้นะนะั่นแหละแทรกแซงแล้วนะงั้นบางคนสอนบอกให้ประคองจิตให้นิ่งให้ว่างต้องรู้นะว่านั่นเป็นคําสอนขั้นสมถะนะถ้าขั้นวิปัสสนาไม่ประคองให้นิ่งให้ว่างหรอก เราจะดูจิตมันทำงานนะหลังจากนั้นก็ดูมันทำงานไปเรื่อยเนี่ของหลวงพ่อเนี่ยท่านสอนมาให้ดูจิตนะพวกเราไม่จําเป็นคนไหนถนัดดูกายก็ดูกายเห็นกายเป็นใจรักแต่ใช้หลักเดิมหลักที่บอกนะมีจิตตั้งมั่นเป็นคนดูเห็นกายกับจิตแยกออกจากกันนะแล้วก็เห็นกายมันทำงานจิตเป็นคนดูรึกเงี้ย คนไหนจะใช้เวทนาก็ใช้หลักเดียวกันมีจิตเป็นผู้รู้ผู้ดนะูเวทนาแยกออกไปเวทนาไม่ใช่กายเวทนาไม่ใช่จิตเห็นเวทนาเกิดดับไปคนไหนใช้จิตตานุปัสสนานะไม่ใช่ดูจิตเฉยเฉยจะดูจิตที่ปรุงแต่งจิตที่เป็นกุศลบ้างอากุศลบ้างแล้วนะก็เห็นเลยรู้ได้จิตที่เป็นกลางนี่แหละตั้งมั่นเป็นกลางนะเห็นจิตบางดวงก็เป็นกุศลเกิดแล้วก็ดับจิตที่เป็นอกุศลเกิดแล้วก็ดับนะมันจะควบไปถึงจิตสุขจิตทุกข์เริ่มจะควบเข้าเวทนาไปด้วย งั้นเวลาดูจิตเนี่ยถ้าดูอย่างเต็มภูมินะจะมีทั้งเวทนาทั้งสัญญาทั้งสังขารเลยจะทํางานควบอยู่ที่จิตเราดูไปอย่างนี้เรื่อยนะในสุดปัญญามันจะเกิดมันจะเห็นเลยถ้าดูกายมันก็จะเห็นเลยว่ากายนั้นเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้ากายไม่ใช่เราจิตที่ไปรู้เข้าก็ไม่ใช่เรารู้เวทนาก็เห็นเลยเวทนาไม่ใช่เราะจิตที่ไปรู้เวทนาก็ไม่ใช่เรากายหรือจิตที่เวทนาไปเกิดอยู่ก็ไม่ใช่เรา เห็นไหมมันกระจายกว้างกว่ากันเพราะฉะนั้นตัวเวทนานะต้องมีปัญญามากนะถึงจะเห็นถ้าปัญญาอ่อนหน่อยนะไปดูกายนะกายานุปัสสนาและเวทนานุปัสสนาเนี่ยเหมาะกับพวกตัณหาจริตพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามแต่ว่ากายเนี่ยดูง่ายเวทนาต้องเป็นปัญญากล้ามันถึงแยกขันออกมาได้เยอะแยนะถ้าดูจิตนะดูจิตกับธรรมานุปัสสนาเนี่ยเหมาะกับพวกทิฏฐิจริตคนช่างคิดพวกคนเมืองนี่แหละ พวกทิฏฐิฉดิตเจ้าความคิดเจ้าความเห็นตีกันแทบตายเผาบ้านเผาเมืองแล้วเพราะความเห็นต่างกันอย่างเงี้นะพวกนี้ให้ดูจิตกับธรรมานุปัสนาจิตนี่สําหรับคนทั่วๆไปธรรมานุภัสนาสําหรับพวกปัญญากล้าเพราะในธรรมานุปาสสนาเนี่ยแยกองค์ธรรมออกไปละเอียดยิบเลยเยอะแยะไปหมดเลยเห็นกระบวนการทํางานมากมายส่วนนี้เราเห็นแค่ว่าเออจิตเดี๋ยวก็เป็นกุศลเดี๋ยวก็อกุศลเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์ดูแค่นี้เองดูง่ายกว่ากันเยอะ นหัดรู้หัดดูนะแต่ละคนมีทางเฉพาะของตัวเองแต่ก็มีเงื่อนไขอีกถ้าจะดูกายและเวทนาต้องทําสมาธิก่อนเป็นสมถะญาณิกต้องทําสมาธิก่อนถ้าไม่ทําดูไม่รู้เรื่องถ้าทําจิตตานุปัสสนาและทำมานุปัสสนานั้นเป็นวิปัสสนาญานิกอย่าไปนั่งทําสมาธิก่อนสมาธิาธทําพอให้จิตสงบพอดูรู้เรื่องแล้วดูจิตมันทํางานถลาทํามทสมาธิจนจิตแน่วอยู่ในอารมณ์เดียวนะจะดูอะไรไม่ได้แล้วไม่มีอะไรให้ดูมันจะนิ่งไปหมดเลยนะ นั่นไม่เหมือนกันนะเส้นทางยังเหลืออีกทางหนึ่งก็คือสมาธิและปัญญาควบกันอันนี้สําหรับคนซึ่งเก่งสองอย่างหนึ่งชำนาญในเรื่องสมาธิจริงๆนะเข้าออกเินเป็นภสีชํานาญมากอันที่สองชำนาญการดูจิตต้องชํานาญการดูจิตเพราะเวลาเข้าสมาธิลงไปแล้วไม่มีกายให้ดูแล้เราจะไปดูองค์ธรรมของสมาธินะเกิดดับดูความปรุงภายในเกิดดับนั้นทางปฏิบัติมีมากมายนะแต่ใช้หลักอันเดียวกัน สมถะมี40วิธีแต่ก็ใช้หลักเดียวกันมีปัศสสนานะมีทั้ง4ฐานใหญ่ๆก็ใช้หลักอันเดียวกันแต่ว่าแยก2กลุ่มอันหนึ่งเหมาะกับพวกตัญหาจริตแล้วทำสมาธิก่อนแล้วไปดูกายหรือเวทนาอันหนึ่งเหมาะกับพวกช่างคิดนะเจริญปัญญาก่อนแล้วสมาธิเกิดทีหลังอีกแบบหนึ่งนะต้องชนานาญทั้งสมาธิและชนานาญดูจิต ทือจะทำได้ควบกันถ้าควบกันในเวลาบรรลุนะก็บรรลุได้นะแล้วบางทีถ้าลึกสมาธิลึกขึ้นไปถึงอรูปการบรรลุของท่านที่บรรลุในอรูปฌานนี่ยเรียกว่าอุปโตภาควิมุตินะเป็นวิมุตติอัศจรรย์ขึ้นไปอีกนะอาจารย์มหาบัวท่านบอกท่านอุปโตภาคอ่านมาอย่างนั้นอ่านมาอย่างนั้นท่านมีหนังสืออย่างนั้น งั้นเส้นทางเดินนี่นะหลากหลายแต่ในหลักอันเดียวกันนะงั้นจะว่าเดินทางเดียวกันเอกายนมัสมีทางสายเดียวก็ถูกนะแต่ทางเดินเนี้ยไม่ซ้ารอยกันอั น, นี้ก็ถูกอีกนะเชิญไปทานข้าวนิมนครับนิมนท่าชจางนินมน